คิดถึงใครสักคนฉันคิดถึงเธอแม้ว่าจะได้พบเธอแค่ผ่านไปแต่ฉันก็จำขึ้นจาง เธออีกสักครั้งฉันยังก็ไม่วางให้เธอเข้าใจแค่รู้ไว้ในหัวใจเสี้ยวนาทีที่พ ผ, ผ่านไปไม่เคยจืดจากหายนานเท่าไรไม่ลบเลือนเรื่องราวเหตุการณ์วันนั้นหนึ่งนาทีที่ฉันจำเธอขึ้นใจแค่ไว้ในใจ ได้พบเจอภาพนั้นที่มีแต่เธอไม่จืดไม่ด่าและไม่มีทางจะลบเลือนไปจากใจ ฉันจำเธอขึ้นใจเก็บไว้ในใจอย่างนี้วันไปปีปีต้องคิดถึงเธอหนึ่งนาทีเท่านั้นที่ได้พบเจอภาพนั้นที่มีแต่เธอจืไมีใจและไม่มีเธอจะลบเลือนไปจากใจ ย, ยังหนึ่งนาทีที่พบเธอฉันไม่อาจลืมเธอ